การสั่งสมวัตตะเข้าสู่ใจเป็นสิ่งที่สั่งสมได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่คร่งตัวมาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกิริยาแห่งการกระทําเพื่อการสั่งสมนั้นเป็นไปโดยลำดับํำดา เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ง่ายคล่องตัวไม่เช่นนั้นจัตโ์โกไม่เชื่อไม่ลุ่มหลงไม่ไหลาตามมันดยตัวเดียว แม้แต่ผลของมันที่แสดงออกก็รู้อยู่ภายในตัวเท่านั้นแต่ไม่คิดไม่สามารถที่จะคิดเจาะเสแสรงหาทางออกจากมันได้ฉะนั้นการสั่งสมวัตตะเข้าสู่ใจให้มากมินขึ้นไปโดยลำดับนั้น จึงไม่มีโรงร่ำโรงเรียนไม่มีที่ต้องอบรมสั่งสอนกันเป็นไปได้ทั้งสัตว์และบุคคลทุกประเภทในแหล่งแห่งใต้โลกกรถาดนี้เป็นไปโดยตามหลักธรรมชาติของมันที่หมุนตัวไปเองอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละรายละลายไป แต่การที่จะสั่งศมธรรมเพื่อรื้อถอนวัตะอันเป็นค่าสิทธ์ต่อจิตใจนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทาําได้ยากต้องฝืนทุกระยะอาการมจิริยาความสนความสนใจที่จะให้เกิดความฝืนความสนใจที่จะให้เกิด ความภาพเขียนก็เนื่องมาจากความเชื่อการจะให้เกิดความเชื่อก็ต้องได้ยินได้ฟังมีครูมีอาจารย์มีตำหนักตำราชี้แจงแดงบอกแนวทางเอาไว้ดังพระพุทธเจ้าในเมืองตน้นพระองค์เองเป็นผู้ประกาศศาสนาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและ ภาษา voke ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจิตในธรรมทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ช่วยพุทธภาระนั้นให้เบาลงไปโดยลําดับลาดับที่กลามาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ครูแต่อาจารย์แต่หลักวิชาที่จะให้เกิดความเชื่อความนุ่งใสให้เกิดอุบาย วิธีต่างๆที่จะนำมารื้อถอนสิ่งที่เป็นค่าสึกอยู่ภายใ น, ในใจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับตามขั้นภูมิแห่งความรู้ความสามารถของตนอิตงานการนี้จึเงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากสารโลกจึงไม่สนใจจะทำกันเป็นจำนวนมากที่สนใจมีน้อย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 ฝืนและฟื้นสิ่งที่ปรอมทั้งหลายเหล่านั้นออกไปได้ยากเนื้วทั้งหลายเป็นพระเป็นนักปฏิบตัติเป็นศาสกย่าบุตรพุทธชิโน โ, รโนโรถที่ปรากฏองทั้งสามโลกธาตุได้แก่ศาสดาของเรา เราเป็นลูกศิษย์ปะถาคตองนี้จึงจะทำจิตใจให้อ่อนแอท้อแท้เหมือนดังที่เคยเป็นมาหรือเหมือนดังโลกที่ไม่เคยสนใจาศาสนธรรมอันเป็นหลักความจริงนี้เลยนั้นย่อมขัดต่อการประพปฏิบัติขัดต่อการกำจัดกิเลสประเภทต่างๆ ขาดต่อความมุ่งหมายของตนที่หวังความพ้นทุกข์ด้วยการถอดเกีื่อนน้ําอันเป็นกลิ่นจอมปลอมเกลียดนแทนอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของตนนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องขดัดเกลีนิสัยที่เป็นมาดั้งเดิมอันเต็มเปี่ยมของจอมปลอมนั้นให้ออกสู่ทำทั้งหลาย ซึ่งเป็นของจริงบนล้วนการแสดงออกทางมารยาทก็ให้มีความจงใจมีเสติมีความระมัดระวังการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดก็ให้มีความระมัดระวังอยู่กับความสัมผัสสัมพันธ์นั้นๆเพราะส่วนมากความสัมผัสนั้นเป็นสื่อทางที่จะสั่งสมกิเลสประเภทดังที่กล่าวแล้วนี้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 ซึ่งจำต้องแสดงความแปรสภาพหรือความแปรปวนความไม่แน่นอนของมันดูดเป็นธรรมดาแต่เรื่องความ <c oughs> เป็นของจิตนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก คืออาการของกิจที่แสดงออกแต่ละอาการนี้กระเทือนตนมากหากไม่ระมัดระวังรักษาโรคทางกายกับโรคทางจิตจึงมีความหนักต่างกันอยู่มากทีเดียวโรคทางกายนั้นใครๆก็เป็นได้ด้วยกันแต่สําคัญที่จิตเข้าไปแบกหามว่านเอา ความสำคัญมั่นหมายต่างๆนั้นเป็นให้เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาโร่นจิตใจของตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายส่วนจิตใจที่มีการระมัดระวังรักษาอยู่ทุกอิริยาบถ ท, ทุกอาการที่เคลื่อนไหวย่อมเป็นเช่นเดียวกับหมอากับคนไข้ที่มีหมอและยาประจาตน ย่อม จ, จะไม่เปลี่ยนอันตรายอย่างง่ายได้หมอในสถานที่นี <c oughs> ้ก็ได้แก่ตัวเองเป็นผู้ระมัดระวังยาก็ได้แก่สติธรรมโอสถปัญญาธรรมโอสถสังวรธรรมโอสถทวิริยะธรรมโอสถ นี่เป็นลำดับลำดาจึงร้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมยอเป็นโอสถดเครื่องรักษา จ, จิตใจมีความแข็งแข็งกร้าบปลอดภัยไปโดยลำดับลำดาผูปฏิบัติไปตั้งหน้าตั้งตาถึงขนาดมาบวชเป็นพระและได้บำเพ็ญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้จึงควรถือเยี่ยงอย่างพระพุทธเจา้าและพระสงค์สาวกท่าน อย่างฝังใจไม่ให้จุดจางไม่ละไม่ถอนเราจะเห็นความจริงที่พระองค์แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสัจธรรมทั้งสี่นั้นโดยลาดับไม่มีทางเป็นอื่นเพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้ประกาศกรางวานอยู่ทั่วส า, ารพางร่างกายและจิตใจของเราทุกขณะ นี่คือเครื่องประกาศ ธ, ธรรมนี่คือเครื่องประกาศของจริงของจริงย่อมเป็นปัจจุบันธรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นทุกขสัตว์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าสมุทัยสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจโดยเฉพาะโดยอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ ม, มาทางทวารทั้งห้า พิตาหูจะหมดทิ้งกายเข้าสู่ใจทั้งเรียกว่าสมุทยัยที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัจจุบันธรรมเป็นสมุทยัยยัสสัตคือเป็นความกิงล้วนลวนไม่มีคําว่าอาดีตอนาคต ที่จะขาดหลุดหายไปจากกายจากใจของเรานี่เลยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสมุททยถ้าไม่มีสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นต้นเป็นเครื่องกาจัดแล้วจะเป็นปัจจุบันของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมูนไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นมีที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ ได้แจ่สัจธรรมฝายผูกมัดถ้าเรียกว่าผูกผูกมัดนะ ท, ทาให้หลงนั่นแหละในสัจธรรมสองประเภทเรียงลำดับกันไปนั้นได้แก่มาก ม, มากท่านกากล่าวไว้กว้างๆว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปุจงกระทั่งสัมมาสมาธิ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 ไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาลบล้า ง, งความจริงอันนี้ได้เพราะฉะนั้นความจริงนี้จริงเป็นปัจจุบันนธรรมสามาทิฐิได้แก่วความเฉลียวฉลาดฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้คิดอ่านไนตรองในเมื่อได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและ ความลำพึงความคิดอ่านแต่ตรองภายในจิตใจโดยเฉพาะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปกเป็นอาการแยกกันนิดเดียวเท่านั้นความดำรีดำริแล้วก็ต้องดำพึงดำริชอบเรียว่าอยากจะไม่อธิบายไปมากเสียเวลาเพราะต่างท่านก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วเห็นดำริ ออกจากกามคือกามคือความรักใคร่นั่นแหละแต่ว่าอะไรออกจากเครื่องผูกพันนี่เรียกเรียกว่ามรรคมรรคะอริยสัจจ์เป็นของจริงอย่างประเสริ นิโรธนั่นก็อริยสัจจ์คือกิริยาแห่งการดับทุกข์ที่มัดประหารประหารกิเลสประเภทต่างๆให้สิ้นซากลงไปมากน้อยก็เท่ากับตัวค่าศึกสิ้นซากลงไปความดับทุกข์อันเป็นตัวผลจากกิเลสประเภทนั้นๆก็ปรากฏขึ้นมาเอง ความปรากฏขึ้นเช่นนี้ท่านเรียกว่านิโรธทมทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่ในกายในใจของเราทุกทางไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากสัจธรรมสองประเภทเบื้องหลังนี้เท่านั้นยังมีความบกพร่องแต่สามารถผิดขึ้นได้ให้เต็มภูมิสำหรับผู้มีความสนใจใข่ต่อความหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงอยู่แล้วเช่นนักปฏิบัติเรา จึงไม่ควรคิดถึงการสถานที่เวล่วลาที่ไหนๆให้เสียการไปเปล่าๆและงมเงาเกาหมัดโดยไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความสงสัย ล, ลังเลและความลำคาญใจขึ้นมาแก่ตนเปล่าๆอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลานอกจากจะคิดค้นลงในวงแห่งสัจธรรมที่กล่าวนี้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 ไม่ได้ไปหมดที่อดีตอนาคตการนั้นสถานทีน่นี้หมดที่จิตอันเป็นสถานที่อยู่แห่งเชื่ออันเป็นซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นหมดดูจุดนี้ทุกอันสำคัญที่แสดงขึ้นจากสมุทัยก่อแสดงขึ้นที่จิตนี้สมุทัยผิดทุกก็ผิดที่จิตนี้ไม่ผิดดูที่การสถานที่เวลามเวลา เองไม่ควรคิดให้เสียเวลาพิจนาค้นคิดลงในวงแห่งสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราอย่างสมบูรณ์นี่คือทางปฏิบัติเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี่ยนเป็นน้ำเป็นพิษเป็นภัยออกจากใจให้ทำความมุ่งมั่นทำความเข้มแข็ง มุมาณนะลงที่ตรงนี้ทุกเราก็ไม่ได้สงสัยแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทการงานใดหรือทุกข์กับสิ่งใดอารมณ์ใดเราเคยได้รับมาซักพอแล้วถ้าหากใจนี้เป็นสิ่งที่ถูกทำลายได้เหมือนสิ่งอื่นจะไม่มีใจเหลืออยู่เลยแนมะ่ดวงเดียวในสามโลกฐานนี้เพราะถูกทำลายด้วยกิเลสตนาอาสวะประเภทต่างๆ ที่มันผิดเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายแต่นี้จิตไม่ฉิดหายเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่นมั่นคงมากควรจะทำทั้งหลายจึงต้องทรงตัวมาได้จนกระทางหบัดทร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรของเราจึงไม่ควรจะไปขยะกขยแยงต่อความทุกข์ความลําบากในการประกอบความภาคเพียร มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อหน้าที่การงานอันชอบทำเพื่อความดุดพ้นหรือเพื่อการตรดถอนชี้เด็ดัญหาอัสวะของตอนนี้โดยลำดับนั่นเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับผู้ทรงมัตตได้แก่เครื่องดำเนินต้องดำเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรศรัทธาอย่างชาบแล้วดังที่อธิบายมาแล้วนี้ว่า มรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากอยู่กับความรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยควางปลอมทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรทุกทุกทุกประโยคทุกๆุระยะทุกอิยาบททุกๆอาการเคลื่อนไหวจึงทุ่มกันลงที่นี่ไม่ไป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 ที่จะนาแ ย, แยกแยกคันให้ได้สัตว์ได้ส่วนให้ถึงหลักความจริงแล้วปล่อยวางกันเข้ามานี่ก็เป็นมกักงเพตามธรรมดาของจิตย่อมจะติดได้ทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตไม่มีขอบเขตเหตุผลอันใดเลยนี่แต่ติดไปเรื่อยๆรักไปเรื่อยชังไปเรื่อยเสียดโกรธไปเรื่อย แต่สติปัญญาเป็นธรรมชาติที่มีขอบเขตเหตุผลจับเข้าไปตรงไหนจ่อเข้าไปตรงไหนก็ได้เหตุไปผลได้ความสัดความจริงมาจากที่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางกันได้โดยลาดับเพราะอํานาจแห่งสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นของสําคัญอันหนึ่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ จะทุกยากลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องของผู้เข้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคำว่ายอดคนก็คือหมายว่ายอดเรานั่นแหละเราคือคนคนหนึ่งให้เห็นจริงจังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้เพื่อผู้อื่นผู้ใด นอกจากเพื่อผู้สนใจใคร่ทำและหวังความพ้นทุกตามสเสด็จพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่ได้เพื่อผู้อื่นผู้ใดที่ไม่สนใจผู้ใดสนใจผู้นั่นแหละคือผู้จะมีธรรมสมบัติเป็นที่ครองใจนับแต่ขั้นแห่งความสงบาการกล่าวถึงความสงบนี้ก็เคยได้กล่าวหลายครั้งหลายหน แต่เพราะอย่างยิ่งในเวลาที่อดอาหารจิตใจมีความละเอียดสงบเยือกเย็นชติตามความคิดความเห็นของตนทันปรุงแกงต่างๆคิดทันตามทันแม่ที่สุดเลยกรายเป็นอันเดียวกันไปในขณะนั้นก็มี พอจิตปรุงขึ้นเรื่องใดสติจะตามรู้ทันทีทันทีระดับไปพร้อมไปพร้อ ม, พอมเพียงขั้นสมาธิที่มีความละเอียดก็สามารถรู้ทันในความเคลื่อนไหวของจิตคือความคิดปรุงต่างๆแต่เวลาย้อนมากลับมารับมาฉันตหารันวันหนึ่งสองวันสามวันไปจิตชักอยากไม่ทัน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 แล้วตั้งลงในหลักปัจจุบันได้แก่สติให้ทำความรู้ตัวอยู่เสมอสติเมื่อได้รับการบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะติดต่อสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัชญะขึ้นมาควรแกการพิจารณาทางด้านปัญญาในเรื่องของการอดอาหารเคยทำมาแล้วพอ ทราบเครื่อง ม, มันมีอาการต่างๆกันบางทีอดครั่งนี้เป็นอย่างนั้นและอดครั่งนั้นเป็นอย่างนั้นเราไม่ทันอาการของจิตที่แสดงออกมาในแง่ต่างๆนั้นทําให้เกิดความเสียใจได้เห็นจิตเถือไปก็เสียใจจิตเถือไปนานๆก็เสียใจจะอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว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 นั่นจิตจะไม่ค่อยเผลอแล้วจะทันกุลมายา ห, หรืออาการของจิต ท, ท, ที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยลำดับการพิจรารณาว่าการกำหนดสติในขณะจิตที่มีความสงบพอประมาณพิจรารณาคิดอ่านไตรตรองถึงเรื่องธาตุหลงขันเฉพาะอย่างยิ่ง อาสุภาอาสุพังปฏิกูลโสโครกนี่เป็นยาดะระนับดับปราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหือมความฟุ้งซ่านรำคาญเกี่ยวกับโรค ก, กับสงสารได้เป็นอย่างดียาขนานนี้เหมาะสมกับโรคประเภทที่มันหยาบโลนชอบยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเข้าบ้านเข้าเมืองเข้ารูปนั่นเข้าเสียงนี้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 ความยินดีความักใข้ทั้งหลายนั้นเป็นความถูกต้องสำหรับธรรมเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้จะบรรเทากิเลสและแก้กิเลสไปโดยลำดับพิจารณาได้ทั้งนั้นไม่ขัดกันนี่ล่ะสำคัญผู้ปฏิเสธปฏิบัติควรจะพิจารณานี้ให้มากจิตใจจะได้สงบเย็นอารมณ์นี้รุนแรงมาก รบกวนจิตใจรบกวนได้ตลอดเวลาทั้งๆที่ขณะนั่งสมัธิบังคับบรรชากานนั้นมันยังดิน้นยังดีต่อหน้าต่อตามิสัมมิสัมยังลากเราไปได้ต่อหน้าต่อตาหน้าโมโหไม่มีอะไรกลืนในกิเลสตัวนี้เลยรุนแรงมากถี่มันจะมอบลงไปสงบตัวลงไปด้วยวิธีการ ที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงควร น, นำมาใช้เสมอความจริงเต็มตัวของเราอยู่แล้วนั่งอยู่นี้ทั้งหมดก็คือกองเนื้อกองหนังกองกระดูกของปฏิคูณโสโค้กด้วยขันทั้งนั้นหาชิ้นใดที่ว่าเป็นของสวยงามของสะอาด ดังที่กิเลสจอมปลอมมันหลอกลวงนั้นมีที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ความริงดังที่กล่าวเพียงดูตัวของเรานี้ก็รู้แล้วนั่งอยู่นี้ก็คือกองอธูภะแต่ละกองละกองอจุภะอจุพังปฏิกูลโสโคร กองปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งภายนอกภายในไม่ยกเว้นเพระเาะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นเสื้อผ้าชบงกีวรที่อยู่ที่อาศัยจีเจงต้องได้ซักได้้อใได้ล้างได้เช็ดได้ถูเพราะสิ่งนี้มัน ก, กระจายความป ตีปูน ค, ความน่าเกลียดของมันออกไปสู่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตนต้องเลยหักกระจายเป็นของตะกบตะกรบ ป, ประจำตามกันหมดต้องได้ซักได้ฟอกได้เช็ดได้ล้างได้ถูอีกเรื่อยๆนี่ทำให้เห็นชัดๆดิชันนี้นี่คือความจริงแล้วอุดถึงเรื่องคําแปรสภาพเรายังไม่เห็นได้ชัดก็เอาเรื่องความทุกข์เข้ามา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 แต่ความทุกนั้นเต็มตัวมีได้ทุกระยะทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บไข้ได้ปวดนั่งนานมันก็เจ็บยืนนานมันก็ปวดนอนนานมันก็ทุกมีแต่อาการของทุกเต็มตัวมันมีความสุขที่ไหนเราเสียสันเฉยเฉยว่าสบายดีเหรอก็คือว่ามันไม่แสดงอย่างลดผลรุนแรงให้เราเห็นเท่านั้นจึงว่า สบายดีเหรอแล้วก็ตอบว่าสบายดีความจริงก็คือตัวไม่สบายนั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวนั้นมีแต่ลมนลมแ ร, ง, แรงออกมาพูดกันถามกันเฉยๆแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนสมมติเรากำหนดดูกายของเรานี่หลยเวลามันตายเป็นอย่างไร อันใดที่มันจะไม่เปื่อยลงไปไมีเล้อนับแต่บนศรีรษะผมก็ล่วงพังทลายลงไปเพราะความเปื่อยยับย้างตั้งตัวไว้ไม่ได้อันนั้นก็เปื่อยอันนี้ก็พังพังลงไปพังไปอันไหนผิดเป็นส่วนอ่อนที่ควรจะเปื่อยไปได้ง่ายมันก็เปื่อยลงไปเช่นหนังเนือ้อเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปเอ็นเปื่อยลงไปหาดลงไปเมื่อไม่มีอะไร ขิ้นไดติดต่อยึดเหนี่ยวกันไว้แล้วร่างกายทั้งล่างนี้มันก็กองลงไปเป็นเต็มอยู่ภายในดินนั่นหมดอยู่ดินนั่นหมดให้เห็นชัดเจนนะขนาดที่มันเปื่อยพังลงไปนั้นมันมีความสวยงามมีกลิ่นที่หอมชวนให้ชมให้ดมที่ไหนมันนีแจะของปฏิคูลโสโคกทั้งหมดทั้งร่างกายของเรานี้แล้วมันมีหญิงมีชายที่ตรงไหน นั่นมีแต่ธรรมชาติอันตายตัวของมันคือเป็นของประปุกูลอยู่ในร ะ, ะระยะระยะระยะนั้นเป็นลำดับเหมือนกันหมดนี่คือการพิจารณาให้เห็นความจริงของมันจิตใจย่อมเบื่อห น, น่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างาม มันต้องคลายตัว้องกันไปโดยลำดับเมื่อปัญญาเข้าถึงไหนปัญญาขั้นใดก็เป็นความจริงตามขั้นของตนเข้าถึงไหนความจอมปลอมที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั่นก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปมนทางร่างกายทุกส่วนนี้พัทงทางลายลงไปผลที่สุดที่เด่นชัดก็คือกรงกระดูก เมื่อเนื้อหนั ง, งสังขทั้งหลายตลอดถึงอวัยวะภายในมันเปื่อยพังไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนเพราะเป็นของแข็งที่จะค่อยเสื่อมคลายลงไปหรือว่าทลายลงไปเป็นดินเป็นธาตุเดิมของมันมันเป็นไปได้ช้าจะเห็นนันนี้ชัดเจนกว่าสิ่งอื่นใดเป็นกองกระดูกทั้งกอะ นี่ท่อนแขนนี่ท่อนขานี่อวัยวะส่วนนั่นส่วนนั่นนี่กระดูกซี่โครงนี่กระดูกสั น, กกสนหลังนั่นกระดูกนั่นนี่กระโหลกศีรษ ะ, ะเราบรรยายดูเรื่องของเรานั่นแหละแล้วดูที่ที่นี่อันไหนก็าเป็นเราอันไหนเป็นของเราอันไหนเป็นที่น่ารักน่าชอบรักน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนับยินดีในบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆนี่นี่คือปัญญายที่คายดีอย่างนี้ แล้วกำหนดที่ตั้งแต่กิเลสมันหลอกเสกสรรปันยอให้เราเชื่อทั้งๆที่มันไม่มีความจริงเรายังเชื่อมันได้อันนี้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหาความจริงเราทําไมจะลี่คลายไม่ได้ดังที่กล่าวมานี้คลี่คลายลงไปที่เรื่องความสลายความแตกความสลายความเน่าเน่าเฟะลงไปหมดทั้ง ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างซ้ายข้างขวาเน่าไปด้วยกันเน่าไปกันเปื่อยไปด้วยกันนี่คือความจรินพ้นนี้ไปไม่ได้สัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดก็ตามตายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าความจิงอยังเป็นอยู่มันก็เป็นเห็นไดาชา้ชัดอยูเช่นนี้นกาหนดลงไปจกนกระทั่งทุกสิ่งทุกส่วนมันอันไหนที่ควรจะเปื่อยลงไปก่อนทังลงไปก่อนขาดลงไปก่อนมันก็ขาดลงไปตามลําดับลาดาบของมัน ผลสุดท้ายก็เหลือั้แต่กระดูกมองไปไหนมีแต่กระดูกแต่ถ้าเป็นยังไงน่ารักไฝ่ชอบใจที่ไหนจากนั้นเครื่องยึดคือเส้นเอ็นมันก็เปื่อยของมันลงไปหาที่ยึดกันไม่ได้ก็ข า, ขาดทางตะลายลงไปกองกันหมข้อมือแต่ละข้อข้อเท้าแต่ละข้อกระดูกต่อกันแต่ละชิ้นอันนี้ขาด จากความติดความต่อเพราะไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันกันไว้ได้แตเส้นเอ็นทางไปหมดแล้ว ป, ลปื่อยไปหมดแล้วเหลือแต่กองกระดูกคนทั้งคนเป็นอย่างนี้เหรือน่ะั่นหนละความจริงความจริงเป็นขั้นขั้นนี่คือความจริงขั้นนะ่ะเป็นลําดับลําดับพิจารณาจนจิตมีความสลดสังเวชตัวเองนี่แหละคือความจริงเมื่อพิจารณาถึงความจริงสาลดสังเวช จิตใจเบาหิวหิวหิวผลสุดท้ายทั้งทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของตัวเองทั้งขณะที่กําลังพิจารณากําลังเปื่อยพังลงไปเปื่อยพังลงไปทั้งขณะที่ขาดทางทลาลงไปจนเป็นกองกระดูกเราพิจารณาร่างกายของเราอยู่นั่นแหละในขณะนั้นร่างกายในความรู้สึกทางร่างกายหายไปหมดไม่ปรากฏเลยว่าไปอยู่ที่ไหนเหลือแต่ความรู้กับ ภาพที่ปรากฏอยู่เท่านั้นจิตใจไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่านั้นทั้งความสระดสังไว่น้ำตาล่วงทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นมันก็พังทลานลงไปน้ำตามันก็ร่วงเข้ามามีน้ำตาที่มีคุณค่าน้ำตาที่มีราคาน้ำตาที่เป็นอัดเป็นธรรมน้ำตาที่เป็นน้ำสมหรับลบล้างน้ำมหาสมุทรมหานิยม เรียวกว่าน้ําอมตะธรรมน้ําตาประเภณนี้จะเป็นน้ําอมตะธรรมได้งานลงไปพิจารณาอย่างนี้แล้วอ้าวันหลังพิจารณาอยากคาดนะอยากคาดว่าจะให้เป็นอย่างมันนั่นนั่นให้เอาเอาเอาภาพมานั้นมาให้เป็นอย่างปัจจุบันนี้อย่าทําผิด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 ไม่ผิดแตกจะต่างกันในอาการที่เห็นก็ไม่ผิดกันในหลักความจริงมีการพิจรารณาร่างกายอย่างนี้ผู้ชอบพิจารณาอย่างนี้ผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้ทั้งความสงบได้ทั้งความแยบคายทางด้านปัญญาและจะได้หลักยึดภายใน จ, ใจิตใจการแนะนําสั่งสอนอสั่งสอนตามหลักความจริงแท้ ผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่กล่าวมานี้เส้นความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนเครื่องมือที่ทจะพิจารณาให้เห็นหลักความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ด้วยกันทําไมจะไม่รู้ทําไมจะไม่เป็นทําไมจะไม่เป็นต้องเป็นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการเบิกทางการลบล้างทุกสมุทยัยภายในใจิตใจลบล้างด้วยวิธีการเหล่านี้ไปโดยลําดับ จนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสา ม, มารถเพียงไรแล้วคําว่าทำทำนั้นไม่ต้องถามผิดเท่านั้นจะเป็นผู้ทรงอักทรงธรรมเช่นเดียวกับเคยแบกถามผิดมาปเป็นเวลานานและแบกกองทุกข์ซึ่งเป็นผลของผิดมาปเป็นเวลานานเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติการพิณิพิจารณานั้นเป็นเรื่องของมาเป็นเหตุสาเหตุที่จะ ได้รับทำทั้งหลายอันเป็นส่วนผลปรากฏขึ้นที่ใจโดยลำบักทําไมใจจะรับไม่ได้ใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างนิ่งแล้วกับทำทั้งหลายอันที่จะนาให้กินวัตจกรนักปฏิบัติแล้วนี่ละงานหรือถอนวัตจักรวัตจิยังเป็นงานยากถ้าพูดตามเรื่องของที่เหลือคิดมันไม่มีอะไรง่ายแหละขึ้นชื่อว่าการบําเพ็ญตัวเพื่อจะแยก ทางจากกิเลสแล้วเป็นเรื่องยากทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นค่าศึกกิเลสเป็นผู้กีดขวางกีเลสเป็นผู้เกี่ยกรอมให้ว่ายากให้ว่าลําบากลําบนทําให้คิดเป็นกังวลวุ่นวายไปในแง่ต่างๆอันจะทําความเพียรนี้ให้ด้อยลงไปและหมดสิ้นลงไปแล้วกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปครอบเหยียทั้งหมดยงพากรณามัตระวังไวคนมายาของกิเลสเป็นเช่นนี้ เคยเป็นมาแล้วถึงได้นํามาสอนหมู่เพื่อด้วยเหตุนี้จึงเคยกล่าวแล้วกล่าวเล่าว่าไม่มีอุบายไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่ากลนมายาของทิ่เละในสามโลกฐานจะมองเห็นทิ่เละได้ยากที่สุดถ้าไม่ใช่เป็นผู้หนักในอัดในทำเชื่อเป็นเชื่อตายต่อพุทธเจ้าแล้วฟื้นจิตฟื้นใจออกจากทิเลสทุกที่เคยเชื่อมันมานาน สดขึ้ปฏิบัตรทำตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกข์ก็ยอมหลับผลจุดท้ายก็ปรากฏผลขึ้ น, นมาพอเป็นเครื่องพัดเหี่ยงกันต่อไปต่อคู่กันต่อไปพัดคานต้านทานกันต่อไปได้โดยลำํำดับวยเวทที่มีกําลังมากแต่ก่านขค่อยอ่อนตัวลงไปเพราะทําเป็นเครื่องต้านทานมีขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติและยิ่งธรรมมีจํานวนมาก มีความหนักแน่นมีปรากฏเด่นชัดขึ้นทางใ จ, จิตใจมากเพียงใดสิ่งที่ยอมปลอมทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปการที่สิ่งเหล่านั้นอ่อนตัวลงไปมากน้อยเพียงใดยิ่งเห็นได้ชัดภายในสติปัญญาของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคนมายามาเป็นระยะระยะระยะนี้เป็นอย่างนี้ระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งตามต้อนเห็นเขาไม่หยุดไม่พอคาที่ว่า ระหมาดรากเด่นเฉียงใจนั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสตัวสำคัญสำคัญทั้งหมด จ, จางไปจางไปจางไปสุดท้ายคําว่าที่เกียจคําว่าอ่อนแอคําว่าทุกข์พระละหมาดเพราะการประกอบความเพียงนี้ไม่ปรากฏภายในจิตเลยเพราะกิเลสประเพณีนี้มันสิ้นชาติลงไปสิ้นชาติลงไปนี้จ ะ, จะเอาท่าเดียว ขี้เลมีมากน้อยอย่างไรเป็นค่าศึกษาจิตใจทั้งนั้นไม่เคยมีขี้เล็กตัวใดที่จะทําจิตใจของเราให้มีคุณค่าสง่าราศีและมีความสุขความสบายอันเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีแม้ตัวเดียวส่วนทำปรากฏขึ้นมากน้อยเย่างไรเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เย็นใจเป็นที่ไว้ใจได้ทุกขั้นทุกระยะของทีท่ปรากฏขึ้นภายใ น, ในใจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมจะเทียบเหนืเทียบผลเทียบความหนักความเบา ความได้ความเสียความสุขความทุกข์ระหว่างทำกับกิเลสไม่ได้อย่างถึงใจเราเมื่อทำไม่เข้าถึงใจแล้วกิเลสต้องเหมาะนี่แหละความเพียนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำที่ว่าอ่อนแอเป็นต้นจึงไม่ปรากเรื่องความขยันมันเพียนก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับมันทำเป็นอัตโนมัติภายในตัวเอง เความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญเพราะความเห็นแจ้งเห็นชัดในคุณค่าแห่งธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วประจักใจอยู่นี้หนึ่งเพราะเคยเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆที่บีบคั้นหัวใจมาเป็นเวลานานทุกแง่ทุกมหนการเห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจกับการเห็นคุณค่าของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นการเพิ่มกำลังแห่งความภาคเคียง ที่จะขยับตัวเข้าไปโดยลำดจนถึงกับว่าถึงไหนถึงกันเป็นกับลายไม่สําคัญสําคัญที่ทํามเอาตัวให้หลุดพ้นจากกิเลสนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นในรู้แจ้งแทงคลุตามตรประเด็จพระพุทธเจ้ า, าให้พันในปัจจุบันกิานี้ไม่ต้องไปข้ามว่าการนุ้นสถานที่หีเวล่ำเวลาโน้นเวลานี้เพราะความจริงเห็นเด่นชัดอยู่แล้วภายในจิตใจนี่คือการเปิดทางมากเมื่อกิเลกก็ดับไปโดยลาําดับ นิโรธเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการดับของกิเลสและของทุกข์ไม่ใช่นิโรธจะต้องทํางานของตัวเองโดยลำพังเหมือนมากได้ปกติปัญญาที่ทํางาน่ากิเลสเป็นผล ป, ประรารเช่นเดียวกับทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั่นแหละไม่ได้ทํางานของตัวเองมันผิดขึ้นกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาทุกข์ด้วยมากของกิเลสเป็นผลงานนี่แหละการประกอบความภาคเกี่ยง ้พึงพากันเข้าใจยาไว้ว่าขณะที่หนักหนักหนักก็ช่างงานมีทุกประเภทที่เราเคยเคยผ่านมาแล้วต้องมีหนักมีบบามีงานยากงานละเอียดงานของจิตก็เหมือนการเพียนนั้นแต่งานของจิตนี้มีการสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้เมื่อถึงขั้นกิเลสมอบราบหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละ งานแห่งความาพักเย็นจิตเปยโดยครับความทุกข์ควา ม, วามลําบากยากเย็นเพราะการต่อบขี้กับกิเลสนัดมากน้อยเพียงไรสิ้นสุดกันลงในขณะที่กิเลสสิ้นซ่าลงไปภายในในั่งตามหลักธรรมท่านว่าวุสิตังป ร, รมาจติยังกะตังกระรนิ ย, ยังเสร็จแล้วงานที่ได้ฟาดฟันหันแดด ก, กับตัวฆ่าศึกที่เต็มพยูนน่ภายใจนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว งานของพระวุตตังธรรมะจิอย่างงานพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มันถึงใจกหว่างงานของนักกรบได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยไชชนะมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลโดยสมบูรณ์แล้วนาปรังอิตตายาติประชานาติที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มียศอ เป็นอันว่าหยุดงานนี่แหละงานทางศาสนาคืองานแย่งงานถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของลากแก้วของศาสนาเป็นลากแก้วของศาสนาธรรมโดยแท้นี่แหละเป็นงานอันสําคัญมากในวงศาสนาไม่ได้หมายถึงงานก่อสร้างานนั้นงานนี้เป็นต้นว่าเป็นงานสําคัญของศาสนาอันนั้นเป็นปริยาย คนพระมาจากคนจําจเป็นต้องมีที่อยู่ที่อาศัยท่านจึงเรียกว่าปัจจัยสี่ยีวรได้จากเครื่องนุ่งหม่มบินธบอาหารความเป็นอยู่สำหรับเยียยาธาตุขันทรให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในการประกอบพรมปรจัง เสนาสนะก็ที่อยู่ที่อาศัยกุฏิร่มไม้ชายเขาอะไรก็เป็นเสือเรียกว่าเสนาสนะชีลานเพสัชคือยาแก้โรคแจ้ภัยแก้กันไปตามฐานะเท่าที่เห็นว่าจำเป็นควรแก้ไขก็แก้ไขกันไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นลากแก้ว หรือเป็นรากเหง้าข้อมูลอันแท้จริงของศาสนาแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนนักใจบุญทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นที่จะส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นบุนดักเถรตังเนื้อนาของบุญของโลกเขาพร้อมเสมอแม้เขาทาไม่ได้เขาก็ยินดีเลื่อมใสเคารพอยากกราบไหว้บูชาอยาก ถวายจะตุปปัจจัยทยาานต่อท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันเป็นสุปฏิปโนโอุชุญาญาสามิจิปฏิปโนเป็นบุญักเข็บุญเป็นักเขตดตางคือเป็นเนื้อนามุญของโลกโลกต้องการทั้งนั้นจะพออย่างยิ่งโลกชาวผู้ทเก่าพอใจอย่างยิ่งผู้ไม่สนใจข้าศาสน า, าพุทธเขาก็หาทางตำหนิไม่ได้ถึงเขาตำหนิเมื่อเราดีอยู่แล้ว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 เป็นเพื่องส่งเสริมอันใดที่จะมาตัดทอนความดีของเราให้ด้อยลงไปทั้งๆ ท, ท, ที่หาความจริงไม่ได้จริงนั้นให้ตัดทอนออกไปจริงที่ว่าเป็นผู้ชัาราปฏิบัติตนรักษา ต, ตนนักปฏิบัติให้รอบตัวเช่นนี้งานนี้แหละเป็นงานสำคัญของพวกเรานักปฏิบัติเราไม่มีงานอื่นใดยิ่งกว่างานนี้ไม่มีอะไรจาเป็นยิ่งกว่านี้ อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลาเพราะเคยจมมาแล้วในวัฏะสงสารจมมาด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นไม่ได้จมมาด้วยความรื่นเริงบันเทงิงมีความสุขความสบายอย่างแบบ้ายใจมีจแต่แบบที่ว่าสุขกับทุกข์เชื่อปนกันมามีอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นมีแต่ความทุกข์ความทรมานด้วยกิเลสเป็นเชื้อไฟเผาจิตใจมาอยู่ตลอด คำขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นเชื้อของไฟแล้วจะอยู่ในภพใดก็ต้องมีเผารนกันมากน้อยตามภพของตนอยู่นั่นแหละวาดลงไปให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นเชื้อแม่นนิดเดียวเลยนั่นอยู่ที่ไหนอยู่เถิดจะไม่มีกิตดวงใดเสมอด้วยกิตดวงนั้นจะไม่มีกิตดวงใดที่สงบราบคาบราศจากสมมุติ ใ, ใดทั้งสิ้น ถมว่าวอิสระก็ไม่มีอะไรกกืน3ามโลกาธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลจิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมุติไม่ได้นะแล้วจะเอาสมมุติตัวใดเข้าไปเหยียบย่าทำลายจิตประเภทนั้นได้ห่ะนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติมาด้วยความลำบากลำบนตะเกียร์ตะกายจะเป็นจะตายก็ฟ า, าดทันมาสู้กันมาผลหายได้เป็นเช่นนี้คุ้มค่าระเสด ความทุกข์อย่างอื่นเราทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะความเปลี่ยนทําไมเราจะท้อตอยถ้ามันเป็นทุกข์ประเภทเดียวกันแต่ผลต่างกันเราทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์คือผลจึงเป็นไปด้วยความชอบธรรมเอาให้จริงให้จริงนักปฏิบัติไอ้มีหลักมีเกณฑ์ภายใน จ, ใจิตใจอย่าทําแบบลุ่มๆดอมดอนทั้งๆที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็สั่งสอนอย่าง เป็นอัดเป็นทมถูกต้องแน่นยำกับหลักการปฏิบัติและการแก้กิเลสทุกประเภทตปไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในการรับการสั่งสอนนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเองที่มันทำให้เร็๋ยวๆไหลๆตามนิสัยของกิเลสฝังจัดมันจึงเอาจริงเอาจังกับอะไรไม่ได้ก็เมื่อจิตหาความจริงจังไม่ได้ภายในตัวเราจะเอาความจริงจากที่ไหนจากอะไร ไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดมันจะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพัวพันผูกมัดติดใจตลอดเวลาเราก็เคยถูกผูกมัดมาแล้วสงสัยที่ไหนอีกพอจะไปวิเศษวิโสกับภพบนั่นชาตินี้นอกจากวิเศษเพราะความไม่เกิดเนื่องจากสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะการปราบปรามกันให้สิ้นเชื่อแล้วเท่านั้นท่านในหลักธรรมท่านกล่าวว่าดุกขั้งนัตถิอาชาตัสสะทุกไม่เกิด ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นคือผู้ไม่เกิดด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละกิเลติึงตามไม่ทันนะใช่ผู้ผู้สูนสูญยังความบริสุทธิ์เป็นความมุทิเอาความสูญมาจากไหนความสูนเป็นเรื่องของสมมติต่างหากอันนั่นมีอันนี้สูนนั่นเป็นเรื่องของสมมติวิมุตติกิจเป็นสมมติเมื่อไหร่จะเอาความสูญความขิ่นความศูญความมีมาพูดได้อย่างไร มีก็มีแบบความบริสุทธิ์ถ้าศูนย์ก็ศูนย์โดยแบบความบริสุทธิ์ไม่ใช่ศูนย์แบบโลกแบบสงสารหากจะให้ให้ชื่อให้นามก็เป็นอย่างนั้นนั้นอยู่เหนือโลกนี่เอาโลกเขาไปเหยียบย่ําทําลายธรรมชาติที่เหนือโลกได้อย่างไรทำให้รู้สีเอาให้รู้ให้จริงสงสัยที่ไหนมิพานสงสัยที่ไหนเหงื่อการปฏิบัต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 พิจนาเป็นธาตจะพิจนาอะไรแล้วแต่หรือเราเคยกําหนดอะไรอยู่เราจะกําหนดทําบทนั่นอยู่ประจําใจก็ได้มีสติเป็นเครื่องพระคับประกองนั่นแหละท่านเรียกว่าบินถมบาทเป็นวดัดคือวดัดตปฏิบัติข้อปฏิบัติเดินบินถมบาท ก, ก็เป็นข้อปฏิบัติขณะรับบาตรก็เป็นข้อปฏิบัติฉันคนเดียวเป็นวดัดการฉันก็มีสติตัางพินิษพิจรณาปฏิสังขารจินณปาตัง ปฏิเสววางี้พิจารณาด้วยความแยบขายว่าสิ่งอย่างนี้เพียงเป็นเครื่องเยียวยาเท่านั้นอาหารวันคาที่อยู่ภายนอกนี้มีกิ่นเป็นอย่างนั้นมีรถเป็นอย่างนี้นนนสีสันมันลนะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเข้าไปคทาดเข้าคลุกเข้ากับน้ำมูกน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วผ่านลงไปในภายในแล้วเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันหมดนั่นการพิจารณาและจะตื่นเต้นกับรสกับชาติอาหารประเภทใดเล่า เมื่อพิจารณาทำเป็นเครื่องแก้กันมีอยู่ที่เลียเป็นเครื่องหลอกมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาสติปัญญาห ร, รือการปีนปีนงาข้างเราแทรกเข้าไปแก้กันเข้าไปโดยกำลังเราจะไปตื่นเส้นตกทะเยทยานกับปัจจัยอันใดอาหารก็อย่างที่ว่านี้หีวร้อนก็ออกมาใช้มาสอยถึีงนู่นหมเท่านั้นเองพอปกปิดสกุณอากาศเป็นเหมือนมนุษย์ตัวต่อไปไม่เป็นที่รังเกียจเท่านั้นแล้วเพื่อกัน นอนกันหนาวที่อยู่ที่อาศัยก็พออยู่ไปยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนเราเป็นไปเพื่อความสะดวกแม้มันมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่าทำอะไรที่ไหนจริงต้องให้เป็นวดัดฉันเป็นวัดก็ฉันอย่างนี้เองเรียกว่าฉันเป็นวดัดแม่แต่ฉันไปด้วยความโลเลโลกมากในอาหารปัจจัยทั้งหลายซึ่งเป็นยิสัยของที่เดงตัวหาเหมืองพอไม่ได้ยิ่งกว่าลิงน้อยตัวเป็นไหน เราไม่ใช่หรินเราเป็นะทั้งอกมีสติตัตถ์ปินิพิจารณาการมีดถบาทเป็นวัดอย่างนี้การฉันก็เป็นวัดอย่างนี้ถ้าฉันให้เป็นวัดก็เป็นฉันให้เป็นกิเลสตำหาก็เป็นบิดถบาทว่าไปโปรดสัตว์มันก็ไม่ได้โปรดสัตว์ถ้าไม่มีสติสัติตาแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ค้องเราค้องหรือเราพ้นแล้วเวลานี้นั่นน่ะโปรดสัตว์โปรดเรานี่แหละ ก่อนอื่นถ้าโปรดเราได้แล้วก็โปรดคนอื่นได้ถ้าโปรดเรายังปวดไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์อะไรยังฆ่าตัวเองอยู่เพื่อการได้เห็นได้ยินได้ฟังการไปกันมาที่ไหนๆนันก็ทําลายศรัทธาของเขาลงไปในหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละคือการฆ่าตัวของตัวเองแล้วจะแปลประโยชน์ให้ประโยชน์คนอื่นได้อย่างไรเนี่ยโปรดศาสตร์ตาแปลว่าผู้ค้องผู้ยังค้องในวัาตต เราก็ยังคล้องบินถ้าบาก็โปรตเราให้ไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเราไปเรื่อยๆมีสติระมัดระวังรักษาตัวเองเสมอเรียกว่าโปรดสัตว์สัตว์ตัวนี้มันพ้นทุกสิ่งทุกอาการที่มันเกี่ยวข้องกับใครก็ตามโดยลําพังเจ้าของก็ตามให้พิจารณาโปรดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอย่าทําลายเจ้าของอย่าฆ่าเจ้าของด้วยความประมาทอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเคยฆ่าเคยทําลายเรามาแล้วไม่เป็นที่น่าสงสยัย อ่าม ah, like, okay. ah, like. like ือส like ีหน like ่อยละ่านปัญญาน่คนต้องเ